ธรรมบทแปลเรื่องปรามชื่อจูเลกษาดกภาคที่หเรื่องที่95้าหพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราลบปรามชื่อจูเลกษาดกตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอภิธเรทกัลยาเนปาปาจิตตัง นิวารเยทันทังหิการะโตปุญญงปาปัสมิงระมะตีมโนแปลว่าบุคคลพึงรีบควรควายในความดีพึงห้ามจิเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปตอนพรามและปรามณีพลัดกันไปฟังธรรม ความพิสดารว่าในการแห่งประวิปัสสีทศพลได้มีปรามคนหนึ่งชื่อมหาเอกสาดกแต่ในการนี้ปรามผู้นี้ได้เคยเป็นปรามชื่อจูเลกสาดกในเมืองสาวถีก็พาสาดกสำหรับนุ่งของปรามนั้นมีผืนเดียวแม้ของนางปรามณี ก็มีผืนเดียวแต่ทั้งสองคนมีผ้าหม่มผืนเดียวเท่านั้นก็ในเวลาไปภายนอกพราหมณ์หรือพราหมณีก็ย่อมหม่มผ้าหม่มผืนนั้นภายหลังวันหนึ่งเมื่อเขาประกาศการฟังธรรมในวิหารพราหมณ์จึงกล่าวขึ้นว่าหนังผู้เริญเขาประกาศการฟังธรรม เจ้าจะไปสู่สถานที่ฟังธรรมในกลางวันหรือกลางคืนเพราะเราทั้งสองไม่อาจไปพร้อมกันได้เพราะไม่มีผ้าหม่มนืงพราหมณีตอบว่าไายฉันจะไปในเวลากลางวันเธอก็ได้ห่มผ้าสาดออกไปส่วนพราหมณ์ยับยั้งอยู่ในเรือนตลอดวันต่อกลางคืนจึงได้ไปนั่งฟังธรรม ทางด้านพระพักร์พระศาสดาคระนั้นปีติห้าอย่างทราบช้านไปทั่วสรีระของปรามนั้นได้เกิดขึ้นแล้วเขาเป็นผู้ใกล้จะบูชาพระศาสดาแต่คิดว่าก็าถ้าเราจะถวายผ้าสาดอกนี้ซัยผ้าห่มของนางปรามณีก็จะไม่มีของเราก็จะไม่มีก็ในขณะนั้นมัชเชรจิต คือจิตที่ประกอบด้วยความต ร, รณีพันดวงเกิดขึ้นแก่เขาสัตธาจิตคือจิตที่ประกอบด้วยสัตตาดวงหนึ่งเกิดขึ้นอีกมัเจรจิตคือจิตที่ประกอบด้วยความต ร, รณีพันดวงก็เกิดขึ้นครอบงำสัตตาจิตแม้นั้นอีกจิตตรณีอันมีกำลังของเขาคอยกีดกั้นสัตตาจิตไว้ ดุดจับมัดไว้อยู่ทีเดียวด้วยประการชนี้เมื่อเขากำลังคิดว่าจะถวายจะไม่ถวายดังนี้นั่นแหละพระโธมยามล่วงไปแล้วแต่นั้นกลั้นถึงมาชิมยามเขาไม่อาจถวายในมัชิมยามแม่นั้นได้ก็เมื่อถึงปัจฉิมยามเขาคิดว่าก็เมื่อเรารบกับศัทธาจิตและจิตตรนี อยู่อย่างนั้นนั่นแลสองยามล่วงไปแล้วก็จิตที่ประกอบด้วยความตรณีของเรานี้มีประมาณเท่านี้เจริญอยู่จะไม่ให้ยกสีสักขึ้นจากอบายสีเราจะถวายผ้าสาดกละเขาขม่มจิตที่ประกอบด้วยความตรณีตั้งพันดวงได้แล้วทำศรัทธาจิตให้นำหน้าคือเป็นปูเรจาริก ถือผ้าสาดกไปวางแทบบาดมูลของพระศาสดาได้เปร่งเสียงขึ้นดังสามครั้งว่าข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วเป็นต้นตอนท่านของปรามให้ผลทันตาเห็นพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลกำลังฟังธรรมได้สะดับเสียงนั้นแล้วจึงตรัสถามว่า โอ้ท่านจงตามพรามนั้นดูได้ยินว่าเขาชนะอะไรพรามนั้นถูกพวกราชบุรุษตามแล้วก็ได้แจ้งความข้อนั้นพระราชาได้สดับความนั้นแล้วจึงทรงดำริว่าพรามนี้ทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากเราจะทำการสงเคราะห์เขาจึงรับสั่งให้พระราชทานผ้าสาดกหนึ่งคู่ ปรานั้นก็ได้ถวายผ้าสาดกแม้นั้นแกพระตถาคตนั่นแหละพระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานทาให้เป็นตวีคูณอีกคือสองคู่สี่คู่แปดคู่สิบกคู่เขาก็ได้ถวายผ้าแม้เหล่านั้นแกพระตถาคตเหมือนกันต่อมาพระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้าสาดก 32คู่แก่เขาพรามนั้นเพื่อจะป้องกันวาตาว่าพรามไม่ถือเอาเพื่อตนสละผ้าที่ได้แล้วได้แล้วเสียสิ้นเขาจึงถือเอาผ้าสาดกสองคู่จากผ้า32คู่นั้นคือเพื่อตนคู่หนึ่งเพื่อนางปรามณีคู่หนึ่งได้ถวายผ้าสาดก30คู่ ได้พระตถาคตทีเดียวฝ่ายพระราชาเมื่อพรามนั้นถวายถึงเจ็ดครั้งได้มีพระราชประสงค์จะพระราชาตานอีกก็ในการกร่อนพรามชื่อมหาเอกาสาดกได้ถือเอาผ้าสาดกสองคู่ในจำนวนผ้าสาดก64คู่ส่วนพรามชื่อจูเลกสาดกนี้ ได้ถือเอาผ้าสองคู่ในเวลาที่ตนได้ผ้าสาดก32มสคู่พระราชาจึงทรงบังคับพวกราชบรุษรว่าพนายพรามนี้ทำสิ่งที่ทำได้ยากท่านทั้งหลายพึงให้นำเอาผ้ากําพลสองผืนภายในวังของเรามาพวกราชบรุษรได้จำอย่างนั้นพระราชารับสั่งให้พระราชทาน ผ้ากำพลสองผืนมีค่าแสนหนึ่งแก่เขาพระมีความคิดว่าผ้ากำพลเหล่านี้ไม่สมควรแต่ต้องที่สรีระของเราผ้าเหล่านั้นสมควรแก่พระพุทธศาสนาเท่านั้นเขาจึงได้ขึงผ้ากำพลผืนหนึ่งทำให้เป็นเพดานไว้เบื้องบนที่บันทมของพระาศาสดาภายในพระคันทั ก, กุดี ขึงผ้าอีกผืนหนึ่งทำให้เป็นเพดานในที่ทำพัฒกิจของภิกษุผู้ฉันเป็นนิดในเรือนของตนก็ในเวลาเย็นเมื่อพระราชาเสด็จไปสู่สำนักของพระศาสดาทรงจำผ้ากำปนได้แล้วทูลถามว่าก็าใครทำการบูชาพระชกา้าเมื่อพระศาสดารับตอบว่า พระามชื่อเอกาสาดกดังนี้แล้วพระราชาก็ทรงมีความดําริขึ้นว่าพราหมณ์เลื่อมใสเนธานะที่เราเลื่อมใสเหมือนกันพระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานวัตถุทุกอย่างอย่างละสี่จนถึงวัตถุทั้งหมดร้อยอย่างอย่างละสี่แก่พราหมณ์นั้นอย่างนี้คือช้างสี่ม้าสี่ กะหาพนาสี่พันเตรีสี่ทาสีสี่บุรสี่บ้านสวยสีต่ตำบลตอนเรียบธรรมกุศลดีกวาา่าธรรมจ้าภิกษุทังหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าแม้กรรมของปามชื่อจุเลขาสาดกน่าสัจจจริงชั่วครู่เดียวเท่านั้นเขาได้หมวดสี่แห่งวัตถุทุกอย่าง ทำอันงามเขาทำในที่อันเป็นเนื้อนาในบัดนี้นั่นแลให้ผลในวันนี้ทีเดียวพระศาสดาได้เสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยกถาอะไรเล่าก็เมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่าด้วยกถาชื่อนี้พระชชคลา พระศาสดาจึงตรัสว่าภิษุททั้งหลายถ้าเอากาสาดกนี้จะได้อาจเพื่อถวายแก่เราในปฐมมัยามไสเขาจะได้สภววัตถุอย่างละสิ6และถ้าจะได้อาจถวายแม้ในมัชชิมยามไซเขาจะได้สภาววัตถุอย่างละ8แต่เพราะถวายในเวลาจวนใกล้รุ่งเขาจึงได้สภาพวัตถุ อย่างละสี่แต่จริงอันบุคคลผู้เมื่อกระทำ ร, รมอันงามไม่ให้จิตที่เกิดขึ้นเสื่อมเสียควรทำในทันทีนั่นเองโดวยว่ากุศลที่บุคคลทำช้าเมื่อให้สมบัติย่อมให้ช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทำ ร, รมงามในลำดับที่เกิดความคิดทีเดียว เมื่อจะส่งสืบอุสนทิแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระกถานี้ว่าบุคคลพึงรีบกวนกวายบุญพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำบุญช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปบาลีว่าอภพิทธเรทกะกัลยานเนปปาปาจิตตังนิวารเย ทัานทังหิการะโตปุญญังป้าปัศมิงระมตีมโนก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอภิธาเรตะแปลว่าพึงรีบขวนขวายหมายความว่าพึงทำด่นดวนด่วนคือเร็วๆจริงอยู่กระเมื่อจิตเกิดขึ้นว่าจะทำกุศลบางอย่างในกุศลทานทั้งหลาย มีการถวายสลกพัดเป็นต้นควรทำไวๆทีเดียวโดวยคิดว่าเราจะทำก่อนเราจะทำก่อนโดยประการที่ชนเหล่าอื่นจะไม่ได้โอกาสเช่นนั้นหรือบัญญัติเมื่อทำวัดทั้งหลายมีอุปชัยวัดเป็นต้นไม่ให้โอกาสแก่ผู้อื่นควรทำให้เร็วๆทีเดียวโดวยคิดว่า เราจะทำก่อนเราจะทำก่อนส่วนคำว่าปาปาจิตตังแปลว่าจิตจากบาปหมายความว่าก่อบุคคลบึงห้ามจิตจากบาปกรรมมีกายทุจริตเป็นต้นหรือจากอากุศลจิตตุบบาทในที่ทุกสถานคำว่าท่านทางฮิการาโตแปลว่า เพราะว่าเมื่อบุคคลทำบุญช้าอยู่หมายความว่าก็ผู้ใดคิดอยู่อย่างนี้ว่าเราจะให้จะทำผลนี้จะสาเร็จแก่เราหรือไม่ข้อนี้ชื่อว่าทำบุญช้าอยู่เหมือนบุคคลเดินทางลื่นบาปของผู้นั้นย่อมได้โอกาสเหมือนมัจเจรจิตคือจิตระนีพันดวงของปรามชื่อเอกาศาดกฉะนั้น เมื่อเช่นนั้นใจของเขาย่อมยินดีในบาปเพราะว่าในเวลาที่ทำกุศลธรรมเท่านั้นจิตย่อมยินดีในกุศลธรรมผลจากนั้นแล้วย่อมน้อมไปสู่บาปได้แท้ในการจบกาถาชวนบนนั้นมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาบติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพรามชื่อจูเลคาาดก